ว่างจากความไม่รู้เมื่อรู้เพียงน้อยนิดแล้วอาหารการแปลว่ากําลังอาหารการในความไม่รู้อันยิ่งใหญ่ของตนมนุษย์เราโง่ที่สุดตอนไม่รู้แม้แต่เรื่องของตัวเองเกิดอย่างไม่รู้อยู่อย่างไม่รู้ตายอย่างไม่รู้ ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าขยันสร้างเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องทนทุกข์ไม่มีลดหย่อนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้และถึงแม้อยากดับทุกข์แต่ไม่รู้วิธีดับทุกข์อย่างไรก็ต้องทุกข์ต่ออยู่ดีถ้าอยู่ไม่ถึงแก่ก็ไม่รู้ว่าความแก่หน้าเอือมเพียงใด ถ้าไม่เห็นภาพการเกิดไม่ร้ายหนก็ไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดน่าเบื่อขนาดไหนเริ่มจากรู้ตัวว่าไม่รู้แล้วรู้จากภาวะที่กำลังเป็นอยู่ก็เริ่มรู้ตอบไปได้ถึงเหตุผลต้นปลายรู้ว่าโลกไม่ตามใจเราแต่โลกตามใจเหตุผลรู้ว่าตนเป็นอุ ป, ปาทาน รู้ว่าหมดอุปาทานคือหมดตนรู้ว่าความอยากได้อยากมีเป็นที่ตั้งของอุปาทานรู้ว่าหมดอยากก็หมดที่ตั้งของอุปาทานรู้ว่าสุขลวงใจเป็นเครื่องล่อให้กระหายอยากได้อีกไม่อยากลีกไปไหนรู้ว่าทุกข์แน่นอกเป็นเครื่องบีบให้อยากโจรเทยานี้ หาทางลีไปสู่ความเป็นอื่นที่น่าใครอยากรู้ว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงรู้ว่าหมดความใยดีสิ่งที่ไม่เที่ยงเสียแล้วก็หมดเครื่องล่ออันใดให้กระหายอยากได้อีกเมื่อหมดอุปาทานในตัวตนหมดความอาลัยใยดีในสุขทุกข์อันไม่เที่ยงทั้งปวง ก็ยอมรู้ที่จิตว่าพ้นแล้วปราศจากเครื่องหมักดองให้ติดอยู่ในภาวะทั้งหลายแล้วไม่มีอันต้องเสวยทุกทางใจแล้วนั่นคือรู้ว่าได้ทำทุกถึงที่สุดแล้วเป็นหนึ่งในผู้หยุดเกิดตายเพราะหายโง่แล้วความว่างอันเป็นที่สุดคือการยุติทุกขอย่างถาวร การยุติทุกอย่างถาวรคือมหาสมุทรแห่งบารมิสุขอันไพศาลเหนือการประมาณทั้งปวง